ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าการขอโอกาสราะแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ยูจิผู้เป็นประธานสงฆ์พาเทลานุเทละเพื่อนอนุวักะมมชิมะด้วยความขอรบยิงขอเจริญในศีลธรรมจงมีแก่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านในาโอกาสนี้ ก็ให้ท่านทั้งหลายวางมือลงได้นะก็ฟังแบบสบายๆสํ า, สาสหรับผู้ยังใหม่ผมก็ใหม่เนาะแต่ผู้เก่าก็ก็ฝึกไปตามแนวทางของลุงปู่เทียนลุงปู่คาเขียนนะครับส่วนผมก็ใหม่ใหม่แบบปีหนึงนะครับไม่ใช่ใหม่นานเท่าไหร่ใหม่ปีหนึง่งที่ได้มาอยู่ร่วมกับปัตตานสุกโต เป็นครอบครัวหนึ่งถือว่าอย่างนั้นก็ว่าได้แล้วก็วันนี้าทางพวกเราหรือว่าทางแม่ชีก็ดีทางครูบาอาจารย์ก็ดีไปร่วมร่วมกันทําแนวกั้นไฟอรอบบริเวณวัดเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าแรงไฟก็จะเข้ามาทางวัดเร า, าทางเราก็ป้องกันไว้ก่อน ป้องกันไว้ก่อนก็ขออนุโมทนาครับครูบาอาจารย์บางท่านก็ขึ้นมาทำวัดไม่ทันก็มีบางท่านก็มาทันแล้วก็แม่ชีก็มาพิสูนีก็ไปแม่ชีจีนก็ไปช่วยกันแต่ถึงเราไม่ได้ไปก็อาร่วมกันอนุโมทนาด้วยก็แล้วกันเนาะแต่เราก็ให้เราให้ตั้งใจได้ฝึกเนะฝึกอย่างน้อยต้องต้องทําจิตใจเนาะทําทางจิตใจดีกว่านะ ส่วนที่ช่วยก็ช่วยกันไปอช่วยกันไปพอได้ก็ช่วยกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจตอนทําแนวกั้นไฟก็คือรู้สึกว่าทุกค น, นช่วยกันดีขยันขันแข็งมีความสุขกับการทํางานอแล้วก็ช่วยกันไปแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือครูบาอาจารย์อาจารย์โน้ตอที่ได้ลงไปช่วยนะครับลงไปช่วยผมก็เลยว่าเอออย่างงี้เนาะ มีหมู่ดีคณะดีนะครับหมู่ดีคณะดีนี่มันดีไปหมดเลยนะครับถ้าเราอยู่ในที่ไม่ดีเนาะหรือว่าอยู่แบบเป็นโจรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นโจรกับเขาก็ได้แต่เรามาอยู่ในวัดป่าทางวัดป่าสุกตนี่คือเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่จะมาร่วมปฏิบัตินะครับสืบสานแนวทางของหลวงปู่เทียนกับหลวงปู่คําเขียนนะครับฝึกการเจริญสตินะครับ ถ้าคนฝึกจริงๆนี่มันไม่ต้องมีอะไรถามไม่ต้องมีอะไรพูดเลยนะครับมันจะปั๊บๆไปเลยนะครับมันจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมันไม่มีอะไรมาติดมาคล้องอะไรครับมันก็คือรู้สึกตัวไปเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นกันระยนมิตรที่ร่วมกันนะครับเป็นกันระยนมิตรเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะครับพระอานุ์ถามเนาะพระอานุ์ถาม เรื่องกัารละยานามิตรนี่แะครับเป็นเพื่อนเป็นหมูหมูหมดีคณะดีนี่แหะพูดกันงน่ายๆเนาะก็ถามกับพระพุทธเจ้าพูดอบอกว่าหมูดีคณะดีนี่เป็นยังไงฮะก็เลยอาโนนก็เลยบอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของภูมิจันทร์เแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าว่าอย่างนั้นเลยอานอน์เพราะว่าหมูดีคณะดีนี่เป็นทั้งหมดของภูมิจันทร์อาแต่ใคร ใครอาศาัยเราเป็นกันลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าลดตัวลงมานะครับลดตัวลงมาเพื่อจะเป็นกันลยาณมิตรให้เราออกจากการเกิดการแก่การเก็บการตายนะครับฝึกปฏิบัติไปเรื่อย ๆ, ๆนะครับก็ก็ออกได้นะครับอาศาัยเราเป็นกันลยาณมิตรเราถ้าเราก็คือพระพุทธเจ้านะครับแต่ถ้าลึกไปกว่านั้นก็คือพุทธพุทโธนะครับคือรู้สึกตัวนั่นแหละครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับ การจเจริญสตินี้มันจะไม่ง่วงเหงาวหาวนอนนะครับคือถ้ามันสดใหม่จริงจรินี่มันจะเป็นสติที่มันนับหนึ่งได้แต่ถ้ามันง่วงเหงาหาวนอนละเอาละครับอช่วงนี้มึนนะครับทื่อๆนะครับพวกนี้จะไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรนะครับตามที่ประสบการณ์ผมเคยทํามานะครับทํามาปีหนึ่งที่อยู่วัดป่าสุกโตนี้บอกขอบคุณเลยนะครับขอบคุณที่ครูบาอาจารย์ทางวัดป่าสุกโต เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามานะครับปฏิบัติลองลองดูนะครับพอผมบอกเลยสําหรับคนใหม่คือสมัยก่อนนี่ผมมาในแนวทางพุทโธนะครับอพุทโธมาก่อนเดินเดินมาทางสมถาก่อนเดินมาทางสมถาก่อนพอเดินมาทางสมถะมันก็สงบนะครับมันก็สงบจะถามว่าเห็นนั่นเห็นนี่ไหมเห็นนะครับเห็นเหมือนกันคุณลองดูก็ได้ครับถ้าจิตมาสงบจริงๆเนี่ยมันก็เห็นเหมือนกันนะครับเห็นเหมือนกัน มันปิดเลยนะครับมันปิดตาสว่างจ้าเลยครับตัวเบาเนี่ยก็คือทําแนวทางกุโธคือ ด, ดูลมหายใจนะครับดูไปเรื่อยๆมันจะปิดหมดเลยเสียงต่อให้เปิดยังไงก็ไม่ได้ยินนะครับหูนะครับมันจะปิดจมูกนี่ก็ปิดปิดเหมือนกันปิดไปหมดมันก็สว่างจ้าอยู่ยงั้นแหละครับนี่ตัวเบาเลยครับทั้งๆ ท, ที่ขาหนีปวดแทบจะแทบจะขาดใจนะครับแต่พอพออยู่ดีๆมันป๊อกไปเลยครับปอกก็หลุดไปเลยหลุดก็ว่าไปเลยครับ จ้าเลยครับแต่ว่าพอออกมาปุ๊บเวลาคนมาพูดให้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีความโกรธมันเด้งครับอมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีทุกคนมีความโกรธหมดนะครับความโกรธความโลภความหลงนี่มีหมดนะครับบางทีเรานั่งสมาธิอยู่นี่ปุ๊บมีเสียงมารบกวนนี่เรารับไม่ได้ครับรับไม่ได้นะครับอคือมันรับไม่ได้ตรงนี้เละครับแต่การเจริญสติเนี่ยครับมันมันจะรับได้นะครับรับได้ ต่อให้เรามีเสียงเราไม่ต้องมีห้องผ้าห้องอะไรนะครับเราก็สร้างจังหวะไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปมันจะไม่ไปลาคาญกับพวกพวกเสียงพวกนั้นเลยนะครับในว่ามีคนพูดกันยอกกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปลาคาญนะครับการเจริญสตินี่ไม่ไม่ไปลคาคัญแต่พวกเดินสมาธิมาก่อนนี่จะลาคาญครับลคาคัญแต่ผมบอกไว้ณที่นี้เลยนะครับผมฝึกมาคือว่าสมาธานี่สมาธินี่ความสงบมันจะส่งวิปัสสนาให้ไปเร็วครับ ผมบอกไว้เลยครับคนที่เดินสัมมาทธรมาก่อนนี่ไม่ต้องไปขัดแย้งนะครับไม่ต้องไปขัดแย้งกันว่าเอ้ยเราทํามาพุทธโทมาก่อนเราทําสัมมาอะรหังมาก่อนไม่ต้องนะครับถ้าปฏิบัติไปจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีพุทโธมันจะไม่มีสัมมาอะะหังมาขัดแย้งกันเลยนะครับมันจะมีแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆไปเลยนะครับเราดูลมมันก็มีความรู้สึกตัวล้วนๆไปเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาถกเถียงกันนะส่วนมากทุกวันนี้เนี่ย คนจะมาถกเถียงกันนะครับอถกเถียงกันว่า<ๆ>สายนี้ดีกว่าสายนี้สายนี้ดีกว่าสายนี้ลืมดูตัวเองนะครับตัวเองนั่นแหละครับไม่ดีนะครับที่ไปถกเถียงเขานะแต่ถ้าเราพอจับหลักได้แค่นั้นแหะครับอจับหลักได้แค่นั้นแนะ่ะไปเลยครับตอนนี้นะไปเลยรู้สึกตัวล้ ว, ลวนๆไปเรื่อยๆครับผมบอกตรงว่าตอนที่ผมมาอยู่วัดป่าสุกโตใ้ใหม่นะครับสำหรับผู้ใหม่เนะผมมาอ่านดูป้ายนี่ครับเนี่ยฉันมาทําอะไรฝึกสติรู้สึกตัวนะครับ พระอาจารย์ตุ้มไม่ผมนอนที่สาราไก่นะครับชั้นสามมันก็มีป้ายเนี่ยชั้นมาทําอะไรฝึกสติรู้สึกตัวนะครับผมก็เอ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรไอฝึกสติรู้สึกตัวเนี่ยครับผมไม่รู้นะครับเกิดมาผมว่าสามสิบปีผมไม่รู้เนะไม่รู้ว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงผมก็รู้นะครับผมไปมาไปไหนมาไหนผมก็รู้ทําไมจะไม่รู้เนะผมก็บอกงี้นะครับแต่พอเราอ่านดูแล้วมันไม่รู้ครับยังไงก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นเราคิดครับ คิดหาวิธีทางว่าทําไมมันถึงว่าอฝึกสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรมันก็อย่างงั้นแหละครับก็ทําไปอาจารย์ตุ้มก็บอกนะครับบอกสร้างจาังหวะอย่างนี้อย่างงั้นก็ทําไปนะก็มันไม่ได้อะไรครับเพราะเราไม่ชอบมันขัดกันครับตอนแรก่ะตอนแรกบอกตรงว่ามันขัดกันขัดกันมากครับคือไม่ได้อะไรเลยแต่พอพอผมได้ไปถามอาจารย์พัฒนาชัยนะตอนนั้นผมอยากรู้มากว่าไอ้รู้สึกตัวคืออะไร ผมไปถามพระอาจารย์มาตนะชัยพระอาจารย์มาตนะชัยบอกว่ามันคิดไปแล้วให้กลับมารู้ไม่เป็นยังไงนะผมว่าคิดไปแล้วก็ับมารู้เกาไม่รู้ครับผมยอมรับว่าผมเป็นคนโง่นะครับยังไม่รู้เลยเรื่องรู้สึกตัวนี่ไม่รู้เขาคิดไปแล้วกลับมารู้คิดไปแล้วก็ับมารู้ผมก็เลยอยากลองลองทดสอบดูแล้วสุดท้ายที่ไปถามพระอาจารย์โน้นนะครับมันตอนเย็นผมไปถามพระอาจารย์โน้นบอกว่าก็พูดกันเรื่องประสบการณ์เนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดกันไป พอพูดไปพูดมาก่อนที่จะกลาบลาท่านท่านบอกว่าผมไม่ให้คุณเชื่อผมแต่ผมอยากให้คุณลองทําดูก่อนแต่ถ้าคุณทําไปแล้วแบบสิบสี่จังหวะนี้คุณไม่เห็นผลอะไรคุณก็กลับไปพูดโธก็ได้อย่างงี้นะครับท่านบอกอย่างนี้นะท่านบอ ก, นะ ท, บอกท่านไม่ได้บอกให้ผมทิ้งพูดโธแต่ท่านบอกว่าให้ลองทําดูก่อนอะให้ลองทําดูก่อนผมก็เลยลองดูนะครับผมก็อยากจะท้าทายมาก ลุงปูเทียนลุงปูมเขี ย, ยนนี่พูดกริงหรือเป่ะครับผมก็อยากท้าทายกันถึงขนาดนั้นเลยครับผมก็เลยลองทําดูครับตอนนี้นะลองทําดูแต่ไม่ได้ทำไม่ไม่ใช่ทําแคบเหยาะเหยาะแย่แย่ะยะยะยะนะครับไม่ใช่ทําแบบง่วงนอนแล้วก็นอนไปเลยไม่ใช่นะทําแบบเอากิ้งเอาจังนะครับเอาเปีนเอาตายนะครับผมทํานี่ไหลผมนี่แทบจะหลุดออกจากกันนะครับอไลลนี่ขานี่เดินจงกรมนี่แทบจะหลุดออกจากกันครับผ ม, มหมายหม่ยอาจจะเป็นเพราะ ผมมาใหม่แล้วก็ผมบ้านผมมันเป็นทางแบบธรรมดาเนาะไม่มีภูเขาพอขึ้นทั้งขึ้นเขาลงมาทาวัดทั้งอะไรต่ออะไรแต่มันดีนะครับดีตรงที่ว่าหนึ่งเรามาใหม่ไม่รู้จักใครการที่ไม่รู้จักใครเนี่ยดีเหมือนกันดียังไงคือไม่ได้พูดกับใครครับไม่ได้พูดกับใครคือมันรู้สึกตัวไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนะี่ยไม่ต้องรู้ไม่ไม่ต้องรู้จักใครนี่ดีเหมือนกันคาว่ามันก็จะได้ฝึกของเราไปเหมือนเก็บอารมณ์นั่นแหละครับฝึกของเราไป ก็ฝึกปะฝึกไปนะครับไอ้ความง่วงความลังเลสงสัยอะไรต่างๆนา น, นานเนี่ยมันเข้ามากันตึมเลยครับเข้ามาเลยเดินเนี่แทบจะชนชนเสาให้ได้ครับเดินเนี่ยเดินมันง่วงเข้ามามันก็ดวดเข้ามาใส่ครับมันเล่นผมทั้งหมดครับแล้วผมก็ทั้งทั้งสร้างจังหวะไปทั้งมีลมหายใจเข้ามาครับตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มเข้ามาสองตัวครับทั้งดูลมหายใจไปทั้งสร้างจังหวะไปครับแต่ผมจับได้ตรงที่ว่าไอ้ตัวไหนที่มันเดินเนี่ย จับเอตัวนั้นไปก่อนคือขผมผมเด่นพุทธโธนะครับเพราะมันมีร่องร่องพุทธโธมานานแล้วผมก็เลยจับวอาพุทธโธจับวอาพุทธโธก็รู้สึกตัวไปกับพุทธโธแต่สุดท้ายก็ทิ้งนะครับทิ้งพุทธโธมาอยู่ในการเจริญสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆผมทํามาแค่เจ็ดวันเท่านั้นนะครับผมไม่นานนะครับแค่เจ็ดวันเท่านั้นตอนสิบโมงเช้าสิบโมงเช้า น, นั่งสร้างจังหวนอยู่นะครับนั่งสร้างจังหวะนนะครับสร้างไปสร้างมานะครับ มันขาดนะครับมันขาดนะครับปัดเลยครับมันขาดเลยครับกายกับใจขาดครับปัดเลยครับมันจะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับมันจะอ๋อปากผมไม่ได้พูดนะครับมันจะอ๋อมาจากใจเลยครับมันจะมีคําตอบอกจากข้างในครับอ๋อออกมาเลยครับอันนี้คือมันเห็นครับเห็นชัดมากครับอ้อเลยครับแค่นี้นะครับผมยกมือขึ้นเลยครับผมกราบขอโทษจริงๆนะครับครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนหลวงปู่ขุนเขียนผมไม่รู้นะครับตอนนั้นน่ะ ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วตอนที่เรามาเห็นจังหวะนี้ครับมันจะทําลายทําลายความลังเลสงสัยไปได้หมดเลยครับคือเราไม่เอาแล้วตอนนี้นะ่ะไม่เอาแล้วไอ้พวกนั้นน่ยมันทำลายทําลายความลังเลสงสัยเพิ่มไปหมดเลยครับมันจะเอาความรู้สึกตัวลุ้นล้วนไปเลยครับตอนนี้นะรู้รู้สึกตัวลุ้นล้วนไปเลยแต่ผมใหม่ใหม่ที่ทีแรกๆนะครับผมก็ลังเลสงสัยอย่างงี้นะครับผมยังว่ายังบอกเลยว่า อท่านทำมาอะไรผมามามายกมืออย่างนี้มัดปลาสุกโตยุงเยอะหรือไงผมบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมมใหม่เดือนกุมภาเดือนนี้นะสิบแปดกุมภาผมม่ใหม่ยุงเยอะมากเอ๊ะไปยกมือทําไมผมว่ายกมือทําไมยุงเยอะหรือไงไล่ยุงอะไรประมาณเนี้ยพอสุดท้ายที่เรารู้ตรงนี้นะครับผมกราบขอโทษครูบาอาจารย์น้อ่งปุทปเทียนน้องปูมเชียนบอกอย่างนี้นะครแล้วก็ตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆครับ ฝึกไปเรื่อยๆแตม่มีมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมได้มาเก็บอารมณ์อันนี้พูดพูดตามตัวเองรู้อย่างนี้เลยนะครับตอนที่มาเก็บอารมณ์นะครับเก็บอารมณ์แล้วมันก็เห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็สร้างจังหวะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนี่ครับแต่มันจะเป็นโอบานายโกครับโอบานายโกนะครับมองออกไปแล้วมันน้อมเข้ามาใส่ตัวครับนี่ผมผมเพิ่งรู้ว่าโอบานายโกมันเป็นอย่างนี้เองครับ มองออกไปเห็นเห็นแม่วันนาครับแม่วันนาตอนนั้นเก็บอารมณ์เข้มอยู่ที่อ่านะครับอยู่ที่ลานหินโคงนะครับข้างหลังท่านจะให้พระไปอยู่ข้างหลังแม่วันนารดน้ําต้นไม้อยู่นะครับอ่ารดน้ําต้นไม้อยู่มองไปหาแม่วันนาปุ๊บน้อมเข้ามาใส่ตัวเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นงานเอ่อพรุ่งนี้เป็นงานอาเก็บอารมณ์เข้มสี่สิบวันมึงต้องออกดอกวันนี้รดน้ําวันนี้ต้องออกดอกวันนี้ ต้องใส่ปุ๋ยวันนี้ให้มันออกดอกวันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คือมันน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าแม่วันนาต้องลดน้ําไปค่อยๆดูมันไปใส่ปุ๋ยไปอย่างนี้นะครับมันก็ค่อยออกดอกพิพลดออกมานะครับมันจะน้อมเข้ามาหาตัวเลยน้องก็มาหาตัวตัวเองนี่ครับให้ตัวเองนี่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะเรื่อยๆเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วมันก็จะออกดอกเองออกดอกพิผลดเองการเจริญสตินี่มันจะออกดอกพิพลดเองนะครับมันจะแก้ปัญหาเอาเองนะครับ มันจะแก้ปัญหาเอาเองตรงนี้นะถ้าจ ะ, จะเจริญสติมีสติจริงๆนี่มันจะแก้ปัญหาเอาเองบางทีเราสร้างจังหวะไปนี่มันจะทือๆนะครับมันจะปวดหัวมันจะแน่นหน้าอกมันจะอาเจียนออกมาให้ได้อย่างนี้นะถ้าพวกนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากนะครับเราแค่มองดูไกลๆไม่ต้องทำครับช่วงนั้นหยุดก่อนมองดูไปไกลๆล้างหน้าล้างตาให้มันดีๆก่อนครับตั้งท่าทั้งทางใหม่ แล้วค่อมาเริ่มใหม่ครับสติมันจะนับหนึ่งนะครับให้มันรู้จริงๆริงรู้จริงๆงนะครับไม่ใช่รู้ไปเฉยเฉยนะสร้างจังหวะทั้งวันไม่ได้อะไรก็มีนะครับไม่ใช่ว่าได้ได้นะครับเดินจงกรมทั้งวันไม่ได้อะไรก็มีนะครับแต่บางทีอาจจะอนอนเล่นเล่นอยู่แต่กระดิกเท้าไปหรือว่าอย่างงี้ครับอาจจะมีความรู้สึกตัวกว่าคนเดินทั้งวันก็ได้นะครับไม่แน่มันกันนะ อาจจะนั่งเฉยๆไปกระด็กนิ้วไปอย่างงี้นะครับอาจจะมีความรู้สึกตัวกว่าคนสร้างจังหวะแต่แต่สําหรับผมก็คือวัดป่าสุกตัวนี้มันเป็นแนวทางของลุงปู่เทียนลุงปูมเขียนนะครับสิบสี่จังหวะควรที่จะทํานะครับควรที่จะทําลงไปเพราะว่ามันมันมันมันรู้สึกตัวชัดกว่านะครับถ้าเราจะไปทําแบบแบบเล่นเล่นไปอย่างนั้นมันมันไม่ค่อยได้อะไรครับแล้วมันจะไม่ได้คําตอบนะครับไม่ได้คําตอบกับชีวิตตัวเองนะครับ มันจะไม่ได้คําตอบเลยนะครับคุณวิ่งถามใครก็ช่างครับถามไปเลยครับถามยังไงก็ไม่รู้ครับพอกลับมามันก็วุ่นวายเหมือนเดิมถามเรารู้แล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้เนี่ยถามนะครับถามรู้รู้รู้ไปแค่นั้นนะครับไม่รู้ไม่รู้ความโลภความโกรธความหลงนี่จะไม่ลดลงนะครับจะไม่ลดลงในใดทังสิ้นเลยจะอยู่เหมือนเดิมความโลภความโกรธความหลงนี่ครับจะอยู่เหมือนเดิมผมก็เคยมีนะครั้งหนึ่ง ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านภาษาเยี่กว่าผมในภาษาแต่ท่านไปแล้วผมก็เคยเอามาเล่าครั้งหนึ่งแล้วไอ้ความโกรธเนี่ยครับมันขึ้นแบบง่ายๆมาให้เราเห็นแบบโชว์แบบเห็นๆ เ, เลยครับไม่ต้องอะไรมากแค่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากอาถ้าอยากเร็วนักเนะ่ะไปตะกอนเลยอย่างงี้นะครับแค่นี้นะครับมันขึ้นนะครับมันขึ้นแต่ผมบอกเลยนะครับสมมุติว่ามันมีห้าเบอร์ หรือว่าไฟหรือว่าไฟความร้อนเนี่ยมันมีอยู่ห้าเบอร์แต่มันขึ้นมาเบอร์หนึ่งครับมันเห็นมันโชว์ให้เราเห็นครับมันโชว์ให้เราเห็นมันโชว์ให้เราเห็นพอตกักกาหารเสร็จปุ๊บไปนั่งนั่งสร้างจังหาะครับนั่งสร้างจังหาะแล้วก็ยิ้มยิ้นะครับการจเจริญสตินี่ต้องยิ้มย้นิดนึ่งครับยิ้มยิ้มนิดหนึ่งไม่ใช่เมื่อยอะไรไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรยิ้มยิ้มนิดหนึง่งถ้าไม่ไม่รู้สึกตัวจริงหยุดแล้วสร้างใหม่หยุดแล้วสร้างใหม่ครับ ต้องให้มันสดๆนะครับหยุดแล้วสร้างใหม่หยุดแล้วสร้างใหม่คุณจะได้ประโยชน์มากครับอันนี้ก็เหมือนกันพอสร้างไปพอสร้างไปปุ๊บปบ๊ประมาณสิบสิบสี่ครั้งนะประมาณสิบสี่ครั้งหรือยี่ิบแดครั้งประมาณนี้นะสติที่เราสร้างเอาไว้นะครับสติความรู้สึกตัวที่เราสร้างเอาไว้นะครับมันจะมาทักท้วงนะครับมันจะมาทักท้วงเราเลยครับเหมือนเบรกรถนี่แหละครับ ไม่ให้มันไปชนตรงนั้นตรงนี้มันเบรกรถครับมันจะมาทักทวงสติตรงนั้นทักทวงนะครับคนไทยพูดไทยนะครับจิตใจมันหลอกใครไม่ได้นะครับจิตใจดวงนี้มันหลอกใครไม่ได้นะครับมันหลอกเออหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะครับจิตใจดวงนี้นะครับมันจะมาทักทวงคนไทยพูดไทยคุณจีนพูดจีนคนอีสานพูดอีสานครับผมเนี่ยคนอีสานครับมันพูดอีสานเลยครับมันบอกว่าโอ้ยเหมือนไม่เคยฝึกสติเลย มันมาทักท้วงนะครับแค่นั้นแหละครับเห็นปุ๊บมันหลุดเลยครับไอความโกรธนี่หลุดปัดไปเลยครับหลุดชัดๆเห็นชัดๆเลยครับหลุดพัดไปเลยครับแค่นั้นครับโลงเลยครับโลงเลยคือสติที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยครับมันไม่ได้ไปไหนนะครับมันรอทักท้วงเหมือนกับปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ำลุงบุญเทียนบอกว่าน้ําที่มันเน่าเน่านะครับน้ําที่มันเน่าเน่าแต่เราปล่อยน้ําดีเข้าไป ไปน้ำดีเข้าไปเรื่อยๆ ach, น้ำเน่า ก, ก็ไหลออกน้ำเน่า ก, ก็ไหลออกน้ำดีก็เพิ่มข<ๆ>เข้าเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าสุดท้ายเป็นน้ำดีนะครับเหมือนกับเราไม่อยากผลทุกแต่สุดท้ายถ้าสร้างไปสร้างมามันก็ผลทุกคือมันเต็มรอบแล้วครับมันเต็มรอบของมันแล้วมันจะไหลออกไหลออกไหลออกตัวตัวที่ไม่ดีก็ไหลออกไหลออกไหลออกนะครับตัวที่ดีก็เพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเพิ่มเขาี่ฝึกสติไปเรื่อยๆนี่นะครับมันจะมีคําตอบออกมาจากจากจิตใจเองนะครับคนทุกคนจะมีคําตอบได้คําตอบ จากการฝึกสเตติคมันจะได้คําตอบจริงเหมือนครั้งครั้งหนึ่งที่ที่ผมมาเก็บอารมณ์เข้มตรงนี้เหมือนกันผมมองไปนะครับปุ๊บผมเห็นเลยบอกว่าสงสารโลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกปฏิบัติสมควรแล้วเนี่นะครับมันเห็นอย่างนั้นเลยนะมันเห็นคือมันย้อนกลับมาหาตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นพระหรือเราเป็นโยมกันแน่ มันย <Aa, S 1> ้อนกลับมาอย่างนี้เนี่ยนะครับคือมันมองไปนี่ปุ๊บนี่เกียรติบรมเข้มนี่เขาเดินทางเขาเดินจงกรมมันทั้งวันครับผมก็เลยมองว่าเอ้ไอ้ตัวเองเป็นพระหรือตัวเองเป็นโยมกันแน่นะเพราะเขานี่เดินทั้งวันนะครับปฏิบัติทั้งวันนะครับนอ่มันเห็นอย่างนี้นะับมันเห็นอย่างมีมันจะมีคําตอบบอกจากกิตใจหรือว่าไอ้คาอ่าคําตอนทําเราทําวัดนะครับที่เราสาธยายไปบางทีมันแตกชานะครับมันรู้ปุ๊บขึ้นมาเลยครับมันจะรู้ทุบขึ้นมาเลย มันจะแตกช้างขึ้นมาเองนะครับบางทีก็รู้แค่นั้นแหละครับแต่มันอยู่ดีดีปุ๊บมันจะแตกช้านขึ้นมาอีกทีนึงครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมที่ปฏิบัติมาก็เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งไอ้เรื่องความกลัวเหมือนกันกลัวนะครับกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้นะครับบางคนมาอยู่วัดกลัวพี่หลอกอ่ากลัวมากไอ้กลัวความมืดกลัวพี่หลอกอย่างนี้ครับกลัวตัวเดียวเท่านั้นแหละครับคือความหลงความหลงก็คือความคิดนั่นนหะครับมันคิดไปต่างๆนานะครับ เราต้องระวังมันตรงนี้เนี่ยคิดไปแล้วกลับมารู้รู้อยู่รู้อยู่กับฐานกายให้ดีๆชัดๆแค่นั้นแหละครับอ่าชัดๆแค่นั้นคุณจะได้ประโยชน์มากนี่ก็คือตอนที่ผมสร้างจังหวะไปฝนก็ตกวันนั้นนะฝนตกพอฝนตกไปตกมานะครับตกไปตกมาฟ้ามันก็ร้องเปรี้ยงป้างเปรี้ยงปังนะไม้มันก็หักคลมุมคามคลมุคลมคามลงมานะมันกลัวครับกลัวนะจิตใจมันกลัวนะครับมันบอกเพราะผมชอบพ้าเครื่องผมชอบพ้าเครื่องมากนะ มันก็บอกว่าไปเอาผ้าเครื่องหลวงพ่อดีๆมาคล้องขอไว้อ่ากลัวตายอตอนนั้นนะเห็นจิตมันบอกอย่างนั้นนะครับปึ๊บขาดสะบั้นลงเลยครับมันขาดเลยครับมันเฉยรู้สึกตัวไปเลยครับตอนนี้น่ะหลังจากนั้นมามันไม่กลัวเลยนะครับมันไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นครับตอนนี้น่ะมันดีอย่างนี้นะครับการเจริญสตินี่มันดีอย่างนี้คือมันไม่ไม่ต้องกลัวใครเลยไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวไอ้สิ่งลึกลงลึกลับอะไรไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้นะ คืออยู่กับรู้สึกตัวอย่างเดียวแค่นั้นนะครับมันจะเห็นผลเองอพวกคุณจะเห็นผลเองไม่ต้องว่าเอ้ยต้องเห็นแบบนั้นต้องเห็นแบบนี้หรือว่าครูบาอาจารย์เอ้ยท่านบอกว่าเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เราก็อยากเห็นตามท่านไม่นะครับข้อนี้สําคัญมากคืออยากเห็นนี่มันไม่เห็นครับนะคืออยากเห็นมันไม่เห็นแต่ไม่อยากเห็นเห็นครับแต่ให้เราเห็นแค่ความความคิดของตัวเองมันล่องลอยไปแค่นั้น่ะกลับมารู้สึกตัวใหม่แค่นั้นนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากข้อนี้ เป็นประโยชน์แล้วก็สําคัญนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตอนเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมอยู่ลานหินค้งนะครับเดินจงกรมปึ๊บตอนเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นแล้วก็มีพร ะ, ะเพื่อนนะมาหานะครับอพระเพื่อนมาหาปึ๊บผมเดินจงกรมอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนเลยครับตรงนี้จิตใจมันเปลี่ยนเลยครับคือว่าเห็นจิตนะครับปากผมไม่ได้พูดนะครับปากผมนี่ไม่ได้พูดอะไรเลย แต่จิตใจนี่มันกระโดดอกไปถามเขาแล้วครับมันกระโดดลงไปถามเขาเห็นปั๊บตรงนี้เลยครับเห็นปั๊บตรงนี้นี่มันจะรู้เลยครับตอนนี้นะมันจะมีคําตอบออกมาจา ก, กจิตใจเลยคําตอบบอกว่าสิ่งที่เรารู้มาทั้งหมดนี่คือรู้ตามหนังสือรู้ตามครูบาอาจารย์บอกนะครับอ่ามันบอกอย่างนี้เลยมันบอกโชว์ขึ้นมาอย่างนี้เลยให้เราเห็นให้เรารู้อย่างนี้เลยแต่ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งครับ มันจะมีเป็นสองอันครับมันจะมีเสองอันที่บอกบอกก่อนก็คือบอกครั้งแรกบอกว่าเรารู้ตามหนังสือเรารู้ตามครูบาอาจารย์บอกมาแค่นี้แต่อีกส่วนหนึ่งมันบอกเห็นครับตอนนี้มันบอกว่าเห็นแจ้งครับเห็นแจ้งครับเห็นแจ้งคือเห็นจิตของตัวเองนี่มันก็โดดไปถามเขาครับเห็นอย่างนี้จริงๆนะครับนี่ก็เลยเห็นตอนนั้นจิตใจมันเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเลยครับคือเอาตามประสบการณ์ของตัวเองมาพูดเลยนะครับไม่ต้องไปเอาของใครนะครับถ้าของใครมันก็ไม่เหมือนของตัวเองนะครับ เพราะฉะนั um for example, for me, ้นเราให้เราตั้งใจรู้สึกตัวไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้จังหวะที่มันเปลี่ยนเพืบอนี่มันเปลี่ยนเพื่อนี่มันจะหลงง่ายครับพอมันเปลี่ยนมันก็โชว์ว่าตัวเองรู้แล้วครับตอนนี้นะรู้พอรู้แล้วหลงแล้วครับตอนนี้เทศทั้งวันครับตอนนี้นะมันไหลไปเทศทั้งวันครับเทศทั้งวันครับไม่รู้สึกตัวครับก็เรื่องที่ไอ้ตัวเองรู้ทั้งหมดนะครับมันก็พูดขึ้นมาอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อ้าวโชว์ขึ้นมาอย่างนั้นครับตามมันไม่ทันครับคือตามมันไม่ทันจริงๆน ตรงนี้นี่ถ้าถ้าหลงก็คือหลงไปเลยครับตอนนี้นะแต่ดีครับมีกัลยาณมิตรนะครับแต่ดีมีกัลยาณมิตรหลวงพ่อทองล้วนนะครับหลวงพ่อทองล้วนบอกว่าจะรู้อะไรก็ช่างท่านกระแทกนะครับจะรู้อะไรก็ช่างให้รู้สึกตัวไปอย่างนี้นะครับรู้สึกตัวไปผมก็เลยรู้สึกตัวใหม่ครับเอาตั้งทางตั้งทางเอาใหม่ไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปเลยมันก็โชว์ขึ้นมาให้เราเห็น โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเห็นเห็นเห็นอยู่นั่นนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นหมดเลยไอ้เรื่องที่เรารู้รูู้แล้วมันตอนนี้มันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆครับสั้นลงไปเรื่อยๆตอนนี้น่ะมันจะถอยครับมันจะถอยกลับไปนะครับถอยกลับไปจากตอนนี้ผมสามสิบสามสิบยี่บเก้ายี่แปดมันจะความชิดทั้งหมดนะครับที่มันจะฟูขึ้นมาให้เราเห็นเลยตอนนี้นะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาตรงทททีีีีี่่่่่่่เเเรรราาาาาาตงผผนนมมแแลล้้ววอดย๊ มันก็ยังโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาแล้วก็บางทีก็ไปเติมไปใส่พงชุโรดไปใส่น้ําปลาให้มันอีกครับอะคับทั้งที่มันผ่านมาแล้วมันจบไปแล้วนะครับมันก็โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเห็นเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปต้องผ่านผ่านมันไปให้ได้ครับผ่านไปให้ได้แต่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกด้วยนะครับบางทีบางดีไม่ใช่ว่าจะทําไปเรื่อยๆมันจะแม่นางครับบางทีต้องมีครูบาอาจารย์แนะนํานะครับแนะนําแต่ครูบาอาจารย์แนะนําก็ได้แค่เป็น <spe lichen> เป็นแค่ผู้บอกเท่านั้นนะครับผู้บอกแต่ถ้าเราแต่ถ้าครูบาอาจารย์นี่บอกปุ๊บท่านขนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรหรือว่าท่านไม่ได้ฝึกสติอะไรเลยอย่างงี้นะครับมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าครูบาอาจารย์นะ่นำปุ๊บเรียบร้อยแล้วปึ๊บไปสร้างจังหวะไปลองดูซิว่ามันเป็นยังไงอย่างางี้นะครับก็ลองฝึก ok เอาเองลองทําดูอย่างงี้นะครับมันจะเกิดผลไหมหรือว่ายังไงอย่างงี้นะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิดแค่ความคิดขึ้นมาเราก็รู้ความคิดให้มันจบลงตรงแค่นั้นนะครับอย่าตามนะครับถ้าตามนี่ไม่จบครับตามยังไงก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือให้มันคิดไปแล้วให้กลับมารู้คิดไปให้เราก็ให้กลับมารู้ครับตอนนี้เนี่ยสติเราจะรู้รูรู้ไปเรื่อยเรื่อเรเรื่อยจะถอยไปเรื่อยเรืครับจะถอยไปเรื่อยเรยถอยไปจนถึงเด็กๆนู่นนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาให้เราหมดแล้วมันก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังไปข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังบางทีมันก็มีสิ่งแปลกๆที่เป็นอัศจรรย์เหมือนัะครบ S <S <an itary> ไม่ใช่ว่าการจเจริญสติหรือว่าไม่หลับตาเลยไม่เห็นอะไรไม่ใช่นะครับมันก็มีสิ่งแปลกๆที่โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นแบบแปลกๆนะครับอยู่ดีๆเนี่อยู่ดีๆอยากจะกินนั่นกินนี่ครับกินนั่นกินนี่อย่างนี้นะมันแคบขึ้นมาในใจิตใจนะครับแต่พอตอนไปตักอาหารอาหารไอ้ตัวนั้นเน่ยมีจริงๆนะครับมีจริงๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้อะไรนะครับไม่ใช่ว่า ไม่นั่งหลับตาเราจะเห็นอะไรไม่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับฝึกสติล้วนๆไปเลยครับล้วนๆนะครับพ่อครูบาอาจารย์ทุกครูบาอาจารย์นะครับถ้าไปดูดีๆท่านบอกว่าสติตัวเดียวเท่านั้นนะครับสติตัวเดียวเท่านั้นคุณมีความรู้สึกตัวไหมแค่นั้นนะครับอ่ะเขาขอฝากไว้เนาะอ่าขอขอฝากไว้สําหรับคําคืนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายนะครับบุญจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองขอให้ปัสกาพวกใจมานสันดานหยาบ ข อ, อยอกอจตุรปิทพพรชัยทั้งสี่ก็คืออายุวันณสุขพรปิพานธนสารสมบัตินิพพานสมบัติสวรรคสมบัติจงมีแก่ท่านเถอด